ถ้าคุณเจ้าและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย mm hmm. เรื่อ ง, งใช้คไตรายิโดกในพุทธศาสนานั้นถ้าจะว่ากันไปแล้วในชีวิตของเราเพียงชาตเดียวจะศึกษาวรรณคดีในพุทธศาสนานทั้งหมดเนี่ยไม่เพียงพอเพราะว่าวรรณคดีพุทธศาสนานที่แบ่งออกเป็นภาษาชาติต่างๆนั้นมีมากเหลือเกินลําพังแต่เพียงพุทธวจนะ อัตกรกถาดีกาและพวกประการดิเศษซึ่งได้รับชนาขึ้นโดยพระอาจารย์ต่างๆนั้นประเมินเท่าแล้วมีจำนวนตั้งหลายพันประกรณ์ด้วยกันเพราะฉะนั้นช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์เราระยะเพียงห้าหกสปีก็ตายนั้นไม่เพียงพอที่จะศึกษาแค่ไท้ทุกล่มทุกประการทุกหน้าให้ทลุตูโกลงได้หมด เพราะฉะนั้นในข้อนี้ทำให้เราลูกมีครอบเติดความรู้สึกภาคภูมิใจอยู่ข้อหนึ่งว่าทุกศ า, าสนานั้นเปงฝึกผลของบรรดุที่โดยแท้จริงมีตาหนับตําราที่จะให้คนคว้าศึกษามากกว่าทุกศาสนาทุกลทขิตในโลกซึ่งถ้าหากว่าศาสนานี้ไม่ใช่เป็นศาสนาของปัญญาชนแล้วจะไม่มีตำหนับตำราวิทยานิพนธ์ต่างๆออกมามากมายอย่างนี้เลย นึกว่ากันเฉพาะว่าวันละจำพระติโดกซึ่งปัจจุบันยังเป็นหลักฐานอยู่เป็นตึกแผ่นแน่นหนาและมีความสมบูรณ์ก็มีอยู่สามภาษาด้วยกันคือพระตรโดกฉบับภาษาบาลีฉบับหนึ่งพระตรโดกฉบับภาษาจีนฉบับหนึ่งพระตรโดกฉบับภาษาทิเบตอีกฉบับหนึ่งพระตรีดกทั้งสามฉบับนี้เรียกว่า มีความสมบูรณ์ทั้งพร้อมด้วยอัจฉรสยทั้งเบ้องต้นข้ามกลางและที่สุดแล้วก็มีอัจฉริยะดีกาโยชนาแต่งแต่ไว้มากมายส่วนพระตจาพิดกภาษาชาติอื่นๆนั้นก็พัฒนาไปจากพระตระดิษฐสามชาตินี้เป็นมูลฐานคือว่าแปลไปจากพระเจาพิสดกสามชาตินี้บ้างหรือไม่ก็ดัดแปลงเอาไปบ้างหรือไม่ก็ยกเอาไปทั้งกระดุกบ้าง อย่างพระตถาิดกของญี่ปุ่นนีม จ, จริงไม่ไไรู้ว่าญี่ปุ่นม่ด้าเพราะว่าตัวหนังสือนั้นเป็นตัวจีนทั้งนั้นเพราะญี่ปุ่นรับวัฒนธรรมทิลปศาสนาไปจากจีนพระตาบิดกของเกาหลีเหมือนกันจะเรียกว่าเป็นเกาหลีก็หกนในดา่าเพาเเกิดขึ้นหน้าตมนกระทั้นหน้าสุดท้ายแต่ตัวจีนทั้งนั้นนี่ก็เห็นได้แล้วว่ า, าหลักฐานที่แท้จริงในพระตาิกนั้นมีอยู่สามธาตุใหญ่สามธาตุใหญ่คือธาตุที่ นักถือพุทธศาสนาแบบภาษาบาลีนี่ชาติุ่มหนึ่งแล้วก็ชาติจีนชาติหนึ่งที่เดชาติหนึ่งสามชาติด้ยาาวยกันนอกจากเฉพาะพระพุทธโดยศบทีนนั้นได้แพร่หลายไปมิทิพนในเาหลีญี่ปุนแล้วก็ยวนสามชาตินี้รับการนธรรมพุทธศาสนาไปจา ก, กทีนส่วนพระพุทธโดยศบทภาษาที่เดชเล่าก็ แค่หลายเปนในทางมองกุเรียมังกุเรียแล้วก็เนปาลสิขินคุฐานประเทศเหล่านี้มีพระาตรปิฎกของตัวแต่ว่าเขียนด้วยอักษรทิเบตเพรารยว่าได้รับรัฐิพิศาสนาวัฒนธรรมไปจากทิเบตตัวนี้พระไตรปิฎกฉับภาษาบาลีตร็นอย่างไรท่านทั้งหลายจะยอมกรดีอยู่แต่ปอนแล้วถ้าพระไตรปิฎกทั้งสามฉบับที่จะกล่าวในวันนี้ขอบรรยายเฉพาะ พระไตรปิฎกฉบับภาษาจีเพราะว่าพระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนั้นเป็นสมบับที่คิดสร้างอย่างยิ่งได้ชุ่มเอาพระตรปิฎกภาษาบาลีไว้ด้วยชุ่มเอาพระไตรปิฎกภาษาทิเบดไว้ด้วยที่เรียกว่าชุ่มเอาทั้งบาลีและทิเบดไว้แต่าะเพราะว่าบรรดาตระกูลสำคัญสําคัญในภาษาบาลียินเข้แปลไว้แล้วตั้คันกว่าปีประกูลสําคัญสําคัญที่เราถือกันยอดสาคัญเพาแปลายอาจารย์เราจำพัญกว่าปี แล้วก็ประกอรสำคัญสำคัญ ส, สัคูดเบสในภาคจีนเขาจะมีอยู่แล้วพร้อมพร้อมพั่งสมุูรณเลยทีเดียวถ้าพระพิโดขบภาษาจีนนั้น เ, เราจะต้องขอบคุณบรรดาธรรมอาจารย์ทั้งหลายในอดีตทั้งที่เป็นชาวจีนชาวอินเดียแต่ชาวอาเซียกลางที่เดินทางจาลึกไปเผยแพร่งานวรรณกรรมแต่จากภาษาสันสกฤตออกมาเป็นภาษาจีนาวาย ว่าศึกษาศาสนาเมื่อแพร่หลายเข้าไปในประเทศจีนนั้นไม่ใช่ว่าแพ่หลายเฉพาะเอาแต่ภาษาเข้าไปอย่างเดียว้าวจีนเป็นชาวที่มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนในระบบประเพณีแลทัทธิธรรมเนียมของตนซึ่งเป็นชาติโบ ร, ราณชาติหนึ่งคู่เทียงมากับอินเดียเพราะฉะนั้นในสมัยเริ่มแรกการศึกษาภาษา ส, าษาสันสกฤตจึงเป็นไปด้วยความลำบากยากยิ่ง เพราะว่าชาวจีนม่ขยันจะศึกษาภาษาสันสกฤตกันเพราะเขาภาคภูมิใจในภาษาชาติของเขาว่าภาษาจีนเขากาแลวแต่อักษรภาษาจีนก็มีการไพเราะลีลาเก่าแต่มาก่อนเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่บรรดาธรรมที่ทิ้งหลายในพุทธศาสนาที่จะต้องพยายามเรียนรู้ภาษาจีนแล้วก็พยายามถ่ายทอดคุถพศจากภาษาอินเดียคือภาษาสันสกฤตกับบาลูออกมาเป็น อักษรภาษาจีนแต่ต่อมาในยุคหลังๆต่อมาจางระบาด น, นั้นก็ค่สยๆหมดไปทีละน้อยเพราะว่ามือพระสงฆ์จีนที่ท่านเดินทางไปศึกษาในอินเดียมีความ ร, รับรู้แตกฉานในภาษาภาษาอังกฤษดีพอกลับไปแล้วทาก็ถ่ายพอดวรรณกรรมพุทธศาสนาออกมาเป็นภาษาชาติจูนท่านในอย่างถูกต้องเมื่อถ้อยคงความพระรปฏิบัติจีนนันเป็นธรรมสาขานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ว่าวิ่ง ย, ยที่สุดน่ะแต่ผมจะยกตัว อ, อย่างให้เห็นว่าอา่มีประกาอะไรบ้างที่สําคัญสําคัญคือว่าพระไตรปิฎกภาษาจีนนั้นซุ้มเอาประการสำคัญสําคัญของบรรดาอภิไธยพิชชศาสนาหลายสิบอภิไายเอาไว้หลายสิบอภิไายเอาไวา้ชุดศาสนาเร า, ษ า, ษ า, ษ า, านี่ว่าเฉพาะว่าฝ่ายสาวกยานหรือที่เรียกกันว่ายินยานนั้นฝ่ายนี้ เมื่อพระพุทธบริพานแล้วประมาณ200รปีเศษได้แต่แยกศาขาออกไปถึง18บแมีการสิบแมีการเดียกันแตงออกไปในสิมีกายแล้วแต่แต่ละมีการมีภาษาพิดของตัวเองบางมีการเขาใช้ภาษาไปาทีเขียนจารุคิจตพบางมีกายก็ใ า, า, า, า, า, กากใช้ภาษาอัอประฟังจศเขียนคิจตพศบางมีการเขาใช้ภาษาอาวันตีเขียนคิจตพศ บางในกายก็ใช้ภาษามหาราษีเขียนคิจพฤษบางในกายเขใช้ภาษาปะกฤตเขียนคิจพฤษภาษาปะสุดนี่จะแตกจาภาษาบาลีสาขาอันหนึ่งเขียนคิจพฤบางในกายเขใช้ภาษาสังสตริเขียนคิจพฤษมีเฉพาะว่าไฟยินยานหรือสาวกยานสิบแปดใกายแต่มาเมื่อเกิดพระพิมหายานขึ้นแล้วในตอนกลางคิจพฤษตวัตที่5มหายาณยันแตกแยกออกเป็นอีกสามกายใหญ่ๆ มีกายศูนย์วาธแล้วก็มีกายโยคาจาระหรือวิชยานวาธแล้วก็มิกายพูะตะปะตาวาอสามมิการนี้ก็ได้แต่งสูตรแล้วก็แต่งคำภีต่างๆขึ้นเฉพาะมิการของตัวต่างมิกายต่างในพิโดของตัวเว่าเฉพาะในที่ตัตพิโดบับกลินซึ่งเด็ดแปลงเอาประการสําคัญต่างๆของมิการทิตรศาสตร์นะอื่นๆยกตัวอย่างเช่น คำทีพุทัพฑนนาวานสระวาสฏิว่าวินัยหกสิบผูกคำทีพุทธพุทธพานนาวานสระวาปติว่าวินัยหกสิบผกประตอนเนี้ยเป็นวินัยพิเดดของนิกายสระวาสติวาานิกายสระวาสติวาทมีกำเนดขึ้นที่แคร์จตมีระล้วตอนหลังพระเจ้าอโศกมหาราชแล้ว แล้วก็นิกายนี้เป็นนิกายที่อิทธิพลมากครั้งหนึ่งโคยมา inside, diary, ลุ่มเรื่องในอินโดนีเซียจูมาตราแล้วก็สวรรคภูมิแล้วคำพีต่างๆของนิกายนี้เป okay ็นอย่างไรปัจจุบันนี้เรามีโอกาสจะเห็นแล้วและเห็นได้ต้องอ่านในภาษาจีนภาษาทิเบตใครอ่านภาษาจีนภาษาทิเบตออกถึงจะอ่านพระตรปิฎกของนิกายนี้ออกว่าพระตรปิฎกของนิกายสารวาสติว่านั้นมีโขนหน้าลีลาเป็นอย่างไรแตกต่างจากพระตรปิฎกของบาลียนอย่างไรบ้าง มีการสรวาวีวาดนั้นในภาษาบาลีคมัมภีจะถาวรถูกได้เอ่ยนามมีการนี้ว่าสัพพติ ก, า ก, ต ก, ากาวาสสัพพติกวาตินเรียกในการนี้ว่าสัพพติกวาตินซึ่งตรงกับภาษ า, าสัญสติกว่าประวาวีวาดะนี่ตรงกันทีเดียวเพราะฉะนั้นคัมภีพุทธพานนวานสรวาวีวาดีนายจำ น, นวนหกสิบถูนี้ได้ถูกแปลสู่ภาษาจีนโดยพระชาวอินเดียชื่อว่าปุณญาศระ แล้วก็คุ ม, มารชีวะธรมรมุจิวิมลรักษะสี่รูปเดียวกันปลเมื่อพอ 947-950 นู่นคุณจพิละเวลาเกาพันกว่าปีมาแล้วแปุพันกว่าปีมาแล้วต่อมาสมณะอกจิงได้แปลินประกรณรของจ่านี้อีกส5บประกรณรขึ้นมาย่วนมากจะเป็นเรื่องรื่อยว่าเดี๋ยวนีติดกระุบบทกรรมการจำวัตาแล้วก็ถืปัจฉันทกาัก แล้วก็รุ่มสันคเตชะรวมหมดสิบห้าประกอรรวมทั้งพุทธพานวานสรางวีวาตีนาอีกหกสิบหกภาษาจีเรียดประการนี้ว่าเสื้อติดเช็ดปูเจ้ากุ้งกุ้งพีนายเอลุกเสื้อติดเช็ดปู่เจ้า้งกุ้งพีนายเอลุกนี่ชือว่าพระพุทธพาณวานสรางวีวาตีนายอันน่ง จะตุระอัจฉรยะธรรมคุตตะวินัยก็ผิดผูกจะตุระอัจฉรยะธรรมคุตตะวินัย ต, ตัวนี้เป็นของนิกายธรรมคุตตะนิกายธรรมคุตก็เป็นสาขาที่แยกออกมาจากาป่ายิมยานเราแยกออกมาเรารอพุธทธศตวรรษที่สี่ถึงที่5้านิกายนี้ก็มีพระปฏิบทของตัวเองไม่ได้ซ้าแบบกับ น, นิกายอื่นเหมือนกันแล้วก็ เรื่องจตุรอัตยายะธรรมคุกตะวินัยนี้ยีนแปลออกมาแล้วให้ชื่อว่าตีฮุนยุตตีฮุนยุจังหรือว่าตีฮุนยุตจังปัจจุบันนี้พิสุในประเทศจีนพิสุในีในประเทศจีนเช่นว่าในไต้หวันหรือว่าพิสุในเวียดนามพิสุเกาหลีฝ่ายที่ถือธงประจันพิสุเหล่านี้ได้ปฏิบัติตอวินายตามแบบตะวินายติดดกของกายธรรมคุก คือถืปอประการจตุรักษายะธรรมคุปตวินัยนี้เป็นหลักปฏิบัติตามวีนานี้เป็นหลักอการผมเนี่ยศึกษาวีนารีดของในใจนี้จบแล้วเห็นว่าตรงกันกันกนกบวีนารีดของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคที่เรียวกว่ามหาวัตรตรงกันเลยมหาวัตรกับกินละวัตรตรงกันมากทีเดียวด้ยวยกว่า เกจะว่าแปลมาจากาพุทธบัพต์ต้นต่อตเดียวกันได้ทีเดียวเนี่ยอันนี้ตรงกันบัด น, น, นี้ได้แปลเึ้นโดยพระพุทธยศเมื่อแตศ .953 อันดับสามมหาสังกิจกวินยัยสามสิบผูกมหาสังกิจกวินัยนี่เป็นวินยัยติดดกของนิกายมหาสัง ก, กงิกะนิกายมหาสังกิจกนี่ยเป็นนิกายใหญ่มาก เป็นมิจแรกที่แย่ซื้ออกไปจากเถรวาทหลังจากทำทุติยสังคารนาแล้วในในภาษาบาลีเราก็เรียกเป็นมหาสังขิกาในคำพีสถาวัตถุและในตอนนาในคำพีอัตสาหีมีซึ่งได้อ้างเอาข้อความสถาในดีระวังจ่กมากล่าวถึงก็พูดข้อความถึงผู้มหาสังขิกะว่าได้ปฏิเสธคำพีปริวานของฝ่ายเถรวาทและปฏิเสธคมพีมหานิเทศจุลนิเทศ ของฝ่ายเทรวาสแล้วก็แต่งคำทีขึ้นมาใหม่ผูกมหากัลยานี่ยเนื่องจากเป็นเครืมือใหญ่แยกตัวไปทำสังขยนามาอีกกลุ่มนึงเรียกมหาสังขีติอีเดียวล่ะนี่เพราะฉะนั้นวินัยพิฎ of มีไกนี้ก็แปลเป็นภาษาจีนแล้วเล่าปศ963ถึง965แปลเป็นภาษาจีนอัคติสุนายนิการมหาสังขีกา มีข้อแปลกแตกต่างไปจากทิ่สูตรนิมิตรกรอื่นอีข้อหนึ่งคือนุ่งตะบนนั่นแทนที่จะนุ่งปล่อยชายอย่างพระเราปัจจุบันนี้ห่มนุ่งกันทิ่สูนิการมหาสังกัชนจัดนุ่งจงกระเบนนุ่นงต ะ, ะ, ะเบนนะั่นปล่อย้ายแล้วก็ปรสวัสดิเอาเอาช า, ายเล็ลขึ้นมาที่ตันเอวข้างหลังนุ่งจงกระเบนนั่นเองนุ่งจงเดนไม่นุ่งตะบนเอาตะเบนเบนั่นนะ่ะทําเป็จนจงกระเบนเลยทีเดียว เป็นเป็นการปฏิบัติวิมัยปโดกที่แตกต่างกันเป็นตัวอย่างอันดับที่สี่ปัญจอัจฉริยะมหิสาสะวินัยภาษาจีนแปลแล้วให้ที่บอกงูหิ้งงูหินหลุดจังเป็นเงินสูงสามสิบกลานเออเป็นคำพินิจเป็นวิมัยปิฎกของนิกายมหิสาสกานิกายนี้ก็เป็นนิกายใหญ่อีกนิกายหนึ่ง เกิดขึ้นหลังจากทำทิฏยะสังขา ย, ยนาเสร็จแล้วในกายนี้ได้ไปสู่ภาษาจีนโดยเระพุทธีวะกับสมณะจีนที่ว่าเต่าจงเมื่อถาพศ966นี่เมื่อพศาา966ห้าสมันสมันภาษาทิกาวินายอัตฉริยะจำนวน18ตัวนี้ได้จากสาุกพ ร, ระบาภาษาบาลีโดยตรง แต่ว่าคำทีสามมนที่เราเรียนกันหลักสูตรสอบะเรียนกันนั้นจีนได้แปลคำทีสามมนได้ตั้งพันกว่าปีมาแล้วในภาษาจีนคือแปลเมื่อพศหนึ่งพันสามสิบสแปลเมื่อพศหนึ่งพันสามสิบสองอาถมภูไนั้นชื่อพระสังขพัทนระสังขพัฒนระแต่ว่าพรผมงได้อ่านเค่งฉบับแปลจีนนี้ดูแล้วเห็นว่า เป็นฉบับย่อใจความจากฉบับภาษาบาลีย่อความไม่ใช่แปลคําต่อคําเข้าไปวงรวามตรในคำภีภาคบาลีเลยแต่รู้สึกว่าคป็นการตัดลัตใจอย่างยอดยอดถึงกระนั้นก็ยังวาดประโยชน์เป็นหนึ่งถสิบแปดู่ด้วยกัน 6. กมาติโนมสีลาสูตรของใจกัสยาปิยะกัสยาปิยะนี่ในภาษาถูกเรียกกัสสปิกะวาทะ แต่สะิก็นกาวะสังสนกษิตเลือเป็นกสิยาปิยะอคำทีนี้เป็นเป็นจุดเป็นเพียงแต่ที่คุปติโม่สั้างของนิกายนี้มีิใช่ยินัยติโดกทั้งหมดนี่ก็ผมยกตัวอย่างเพียงแต่ว่าวินัยยปิโดกซึ่งในภาภาษาจีนนอกจากที่เป็นของมหายานแล้วยังได้แปลของนิกายอื่นๆเอาไว้ให้ศึกษาเทียบเทียงเป็นหลักฐานถึงข้ามนิกายด้วยกัน นับว่าเป็นเรื่องปันหาได้ยากมากคราวนี้เรามาพิจารณาในหมวดสุตตันตปิบกแในแต่ปิฎกกีนบัตอามู่สุตตันตปิฎกีน น, นั้นน่ะอันดับแรกเราจะเห็นว่ามีคำพีโอโกตรราคมเอโตตราคมห้าสิบภูตรงกับคำพีอังคุตระมีกายอังคุตระมีกายแปลว่าอังคุตรนิกายที่แปลสู่ภาษาทีมนี้ไม่แช่อังคุตระมีกายฉบับบาลี เป็นอันคุตระกายของนิกายสลาวชีวะแปลสู่ภาษาจีนโดยพระธรรมนันทิเมื่อพศ927 2. มัธยามาคุลต0ถูกรงกับมัตถินนิกายของนิกายสลาวชีว ะ, ษษ ะ, รร ม, ม, ะมัตยามาคุลมีมมของนิกายสลาวชีวะแปลสู่ภา ษ, ษาจีนโดยพระสังฆรัตจับพระสังฆเทวะเมื่อพศ941 สามีราคาคมคือถึงข้ามมีกายยี่สิบสองถูกเป็นของมิกายธรรมคุกที่ที่ีระคาคม น, นี่เป็นของมีกายธรรมคุกแปลสื่อภาษาจีนโดยพระพุทธยกเมื่อพศเก้าร้อห้า 9, สิบหกสี่สังยุตตาคมห้าสิบถูคือสังยุตตมีกายเป็นของมีกายมหิสาสกะแปลสื่อภาษาจีนโดยพระคุณะพัทระ เมื่อปศ986นี่ตกลงว่าอ่าที่มีกายมาถึงมันมีการอังคุตระมิกายสังยิจนิกายเ้าะือสื่มีการซึ่งเราถือเป็นหลักสําคัญในพระไตรปิฎกฉบับเถรวาทนั้นแต่ในฉบับจี น, นไม่ได้เลือกแปลของนิการใดนิการหนึ่งแต่เลือกแปลว่าของนิการนั้นนิการนึ่งอ่าของนิการนี้หมวดนึงนิการโน้นอีกหน่อยนึงพอสมกันเข่า ทิ่งมีการแปลแบบนี้อทำให้เด็ชผลคือทำให้มีโอกาสศึกษาเทียบเทียงความแตกต่างอ่ของแต่ละคัมภีร์แต่ละในกายว่ามีข้อความแตกต่างไปกันอย่างไรบ้า ง, งก็ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ดูเช่นมหาปริญพานาสูตรในที่ราคาคมมหาปริญญานาสูตรในที่ราคาคมสบับแปลเป็นกลีนซึ่งเป็นของใิกายธรรมคนั้นข้อมีข้อความยาวกว่ามหาปริญพานาสูตรสบับบาลีของเราอีก ตั้งขึ้นต่อขึ้นทีเดียวขึ้นต่อขึ้นแล้วตอบปัญหาขึ้นคำว่าสูกรธรรมชาะเนี่ในทีราคาขุมมหาปริญญาสูตรฉบับจริไม่ได้ดแปลว่ามือุกรอ่อนแต่ว่าบมืองชับเลยทีเดียวว่าสูตรรมชัชาติน้นได้แก่เหตุคนแปลว่าเหตทีเดีวยวเหตุที่ เ, เ, เ, เกิดจากตไม้จันเบียงยิ้มให้ชักให้คำว่าจันทันขี่ยื จันทันก็คือต้นจันกินพับทับศัพทไม้จันในประเทศจีนนไม่มีเอาพันจากอินเดียมาปลูกเพราะฉะนั้นคําว่าต้นจันในในที่จีนจีนไม่มีต้องใช้พับศัพท์เรียกตามเสียงแขกว่าจันทันคือไอ้ขีนี่ปลว่าเป็นไม้ส่วนยื่นี่คือเห็จันทันที่ยื่ก็แปลว่าเห็ดที่เกิดจากต้นจันนี่ศัพถูกเ ร, ร, รียกว่าแค่อย่างนี้ แต่ว่าพระพุทธครูต่ออาจารย์ได้แทะอัดในสูมังสุมังคะวิราสินีอาจรย์าถาที่กรณ์กายก็ท่านจะไม่แน่ใจนี่แต่ว่าสูกรธรรมทวะเนื่อได้แต่อะไรท่านให้ไมยะสามไมยะว่าสูกรมัรมทวะอันแรกได้แปลตามปรับเลยว่านื้อหูอ่อนเนื้อตนอ่อนในเหนือสูกรมัรมะวะในที่สองก็ได้แต่ข้าวที่หูอยู่นมโคข้าอ่อนที่หูอยู่นมโคสูกรธรรมัทวะในที่สาม คืออาหารชนิดหนึ่งซึ่งปรุงด้วยตามวิธีรสายเยนเวสว่าในคุณพระตั้งใจปรุงขึ้นที่จะบังบัตรอาพาธของพระผู้มีสภาพแล้วก็ท่านยังกล่าวในอัตถิฐาว่าพระพุทธเจ้าที่มีกําลังเบินมีทานรุกขินาราได้ก็เพราะว่าโดยเสวยคุกรมัทธะแห่งใหม่คุณพระเพราะนั้นคุกรมัทธะในคุณพระนี่มันจะเป็นเหตุให้ตะลุกําเมือเลยเปล่าเลยเรื่อลุกตะเมือกเนี่ยเป็นเรื่องดีว่าจะกําเมือกดีแล้ว แต่ว่าจับเป็นยาคือบำรุงกำลังของพระองค์ทำให้พระองค์กับปี้กระป๋าสามารถโดยมรรคานุานนสุตินาราได้ตามใจหวงังว่าอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็นายคิดแต่ว่าในที่ระราคมมหาเปรีมรรพานสูตนั้นได้ฉบับทีิท่านแปลว่าจำคำสิวยี่เหตุขึ้นเกิดก็ต้องจำเพราะฉะนั้นในทีนี้ก็ผมก็จะฝากไว้าากับท่านทสงหลายวิมไยด้วยว่าเป็นอย่างไรส่วนคันทีประเทศอภิธรรมติโดก ในฉบับภาคจีนมีมากมายเหลืเอเกินเป็นร้อยร้อยประการทีเดียวละมีของนิกายต่างๆแต่ของเดิอย่างโดยเฉพาะที่สุดอภิธรรมตีบทของนิกายสรยารวาศีวานั่ น, ปป น, น, น, นมีแปลจบบททั้งตีบทรวมทั้งบรรดาประการละเอียยงกับภาคอภิธรรมแปลจบหมดเลยภาษาตีบทยังมีไม่กี่มือืนอ่นเท่าจีนต้นฉบับภาษาอังกฤษหาไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อพุทธศาสนาสูงจากอินเดียไป ก็ปลูกข้าวฝึกเอาไปเผาผ่านสวีนาไปหมดเวลานี้นักปรัชของโลกที่ต้งการศึกษาวรรณคดีของนิกายพราหมณ์ศิวะต้องไปศึกษาในภาคภาษาจีนแล้วก็แปลจากภาษาจีนกับภาษาภาษาสันสกฤษยกตัวอย่างเช่นด็กอร์ราหุลสันติสยานะซึ่งเป็นชาวอินเดียมีความรู้แต่ฐานหลายภาษาหรือด็กเตอร์ตะการิสุของอิตาลีซึ่งม้ภาษาจีนภัษสอังกฤษดีแต่ต้องไปจับงานแปลจาก ข้อความในภาษาจีนแปลเป็นภาษาสกปริออกมาแปลออกมาเพรออาะว่าต้นฉบับภาษสกปริหาไม่ได้จีเมื่อแปลรักษาเอาไว้ให้หมดทีเดียวอภิธรรมีิดกของนิการะวาสีวาทวานั้นถ้าเราศึกษาให้คล่งแฉแล้วจะเป็นกระจกจองเทียบเทียงกับอภิธรรมบิดกฉบับบาลีอย่างดีที่เดียวเพราะว่าเขาก็มีสตัปปะรณะเหมือนกันสิทธะกอเหมือนกัน เขามีเจตตะกอนเหมือนกันเราก็มีเจเขาก็มีเจตแล้วก็วิธีเรียนตะกอนนั้นคล้ายคลึงกันมากวิธีจากสภาวธรรมก็คล้ายคลึงกันถึงแม้จะไม่เหมือนกันทั้งหมดก็มีส่วนคล้ายคลึงกันมากอภรณ์ทั้งที่สำคัญของกาะวาสีวาาคือหนอภิธรรมสังคีติปะรยาญาปะสาสระมีจำนวนยี่สิบสี่ชืกันอภิชื่ออภิธรรมะสังคีติ บรรยายนตะกอนเนี่ยมีลีงยาคล้ายขิงกับสังขีปีสูตรในบาลีทีสันิกายคือว่าถึงว่าเป็นภาสุขของภาษาลิบุตรเถิดเจา้าท่านตั้งขึ้นให้เอเมศตังเอกังสมยยังด้วยกันแล้วก็ปราลักยามอยากพระพุทธมีพระพาโดยมอบภาระให้ภาษาริบุตรแสดงธรรมแต่สองข้อบริษัทิต่อไปภาษาลิบุตรก็ประมวลอักษรมะขึ้นมาเป็นลูกอภิธรรมออกมาทีเดียวเพราะฉะนั้น ภาษาบุตรน่าจะน่าจะเป็นบูรพาจารย์ของอภิธรรมพิดกเป็นบูรพาจารย์ผู้ให้กําเนิด อ, อภิธรรมโดยตรงแต่ผมอยากจะว่ายอย่างนั้นแพราว่าในในถ้าเราไปศึกษาในสังคีตสูตรฉบับบาลีแล้วลักษณะก็คล้ายคลึงเป็นแบบดีลาแบบอภิธรรมแก้ข้อความอย่างนั้นในสังคีตสูตรก็มีคําว่ า, าสัณิชฐานะอันิพฐานะสัปติฆะสนณิชฐานะอัปติฆะพวกนีนกกนม้มีหมด เป็นจำนวนอภิธรรมโดยโรงทีเดียวมื1หน่งฉบับทีทสองใช้คาว่าอภิธรร ม, มสังคีติปัญญายปาภาษาหนึ่ฉบับหนึ่งสองอภิธรรมมาตะกนพระปาภาษาคือพูดง่ายว่าอภิธรรมขันธ์ท่านึ่งเองนู่ว่าโดยดึงขันธ์ห้าประกานี้มีจานวนติดแงถูกด้วยกันอธิบายกระจายควาขันธ์ห้ิสดาลทีเดียวเปพาสิทธิของระโมคานะ เป็นภาคิดขอโมคคัลลาะแล้วก็สอภิธรรมมาปรยาปฏิศาสตรหรือบัญญัติมันเองบัญญัติของเราในบาลีจะมีปุขละบัญญัติแต่ของไม่ฆ่ากินเขามีอภิธรรมมาบัญญัติปาสสาตร์ข้อความก็คล้ายคลึงกับอาปุขละบัญญัติของเราแล้วก็คืออภิธรรมวิทยานิกายปาสสาสตร์วิญญาณิกาย อภิธรรมวิญญาณในกายประการนี้ไม่มีในไม่เชิงกับตะโกนไหนในภาษาบาลีเป็นของโดยเฉพาะของเขาต่างหากแล้วก็หอภิธรรมปกรณะมาทศศาสตร์นี่ก็ในตรงกับตะโกนในบาลีแล้วก็ห mm hmm. อภิธรรมทาตุกายะมาทาศาสตร์ท้ายคึงกับทาตุกะถาแต่เพราะว่ามือ่านจะเล่าไม่เหมือนเขาตุกตกะถาก็วางไปอีกแนวหนึ่ง แล้วก็นอกจากนี้ก็มีประการอีกคืออภิธรรมณยาณปารสฐานะสาสระยี่สิบถด้วยกันประการนี้คล้ายคลึงกับคัมภีร์ปัจฐานที่เรามากคล้ายคลึงกับคัมภี์ปัจฐานที่เราแต่เพราะว่านิกลาระวาวศิวาดอภิธรรมนิการสราวสิวาทนั้นได้ดำเนกิธีจัดปัจใจยี่สิบสี่ของฝ่ายบาลีว่าและอียดเติไป ซึ้งมากตนไปที่เกิดเป็นปัจจัย2ี่ีเนี่ยซมากไปเพาะว่ า, mm hmm. ายอย่างนั้น่เป็นคำว่านะครับเพราว่า อ, อ, อาจารย์ฝยธรรมศาสว่าอาจารย์ธรมศาสวร์บอกว่าความจริงะปัจจัยอาค่ก็พอแล้วคือเหตุปัจจัยอารมณะปัจจัยแล้วก็อธิปสิปัจจัยอนันตระปัจจัยพอเมว่าปัจจัยสี่นี้ครอบครอบงำปัจจัยยีสของฝ่ายธรราตหมด พอแล้วไม่จำเป็นต้องไปแจกแยกตจอออกมาเป็นลูกเป็นเจ้าเป็นเหล่ออกมามากมายถึงยี่สิบสีแล้วไม่จำเป็นเนขาว่าอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเราจะเราศึกษาได้จากประการอภิธรรมะอายยานะปรั ฐ, ฐานะสาวะหรือที่เรียกว่าอภิธรรมอภิธรรมนปฐานะสาวเป็นเองในตายนิกายสนาวาสีวะเขาว่าเขาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอแต่มาก็มีเป็นคำพีกับอภิธรรม ที่สำคัญที่สุดเรียกว่าอภิธรรมะมหาวิปาสตราทีนแต่แล้วให้ช่้ว่าไต่พีเผาฝาหลุงจำนวนสองรอยสิสองร้อสิถ้าจะมาใส่ตู้แล้วก็เต็มู้สองตู้ตนี้ไม่พอไป น, นังสือสองร้อสูบแปลเป็นภาษาจีนออกมาแล้วเต็งตู้เลยะะเฉพาะประการเดียว ปางกรณนี้พอจะว่าไปแล้วก็คืออัจกษาอภิธรรมนั่นเองอัจกรายะแก่อภิธรรมอีกเจ็ประกรที่ไดามาข้างบนแก่ทั้งหมดประมวลข้อความทั้งหมดกล่าวกันว่าคำพิมมหาวิปัสสานี้ได้รัตนาขึ้นที่คุณธงวันวิหารในละครพลันกรแคว้นกัตจมีระภายใต้ราคูประถมของพระเจ้ากฤิักรมหาราช เพราะฉะนั้นปัญหาเรืพระเจ้ากนิษกะว่าเป็นมหายานก็ผมเลยขอแถลงในที่นี้ว่ายังไม่ปรากฏหลักฐานว่าพระเจ้ากนิษกะเป็นชาวพุทธในป่ายมหายาณเพราะว่าปรากฏแต่หลักฐานว่าพระเจ้ากนิษกะนั้นทรงอุปถัมภุสชาคณะชายประวาสีวะโดยที่ให้พระบริราชุปถัมภ์ทำสังฆายนาที่นครชรัญทร์ุนพุธวันมีหานคุนกระผมไม่เขียนหลักฐานข้อนี้ไว้ ในคาบรรยายนิพพุทธศาสนาของกระผมที่เมื่อฉลองยสิห้าพุทธศตวรรษได้เขียนแถลงข้อเท็จจริงยอดพระเจ้ากนิษกะนั้นตามที่เราเข้าใจกันว่าพระองค์เป็นมหาราชผู้เผยแผ่พิพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้นไม่จริงเพราะว่าในสมัยพระองค์แม้มหายานจะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ายังมีอิทธิพลจะแพร่หลายออกไปมากมายพุทธศาสนาที่แพร่หลายในแพร่หลาย และอินเดียตอนเหนือไมีนมิกายสราวาสติวะและก็นิจายปราวาสติวะนี้มีอุปสำคัญอยู่ที่แคว้นคันธาระจัดแคว้นกาศมีระอันเป็นแวดแคลน แ, นแนดนเดิมของพระเจ้ากณิษฐะมหาราชพระเจ้าคณิษฐะมหาราชเป็นทุกภาษาเวทของนายนี้ทุกอุปการะนิการนี้แล้วก็พระองอค์ได้มีครุ เป็นพระเถระในนิกายนี้ชื่อว่าปารสวะเถระปารสวะเถระเป็นครูของนิกายราสราวัสตีว่าเป็นพระอาจารย์ของพระองค์เป็นผู้ถวายคุณแนะนําให้พระองค์ทาสังฆายนาของนิกายนี้ขึ้นที่นค ร, รนทรัญทราอล่งจากอภิธรรมมหาวิสาสาสาตั้งสองร้อยปีนี้แล้วก็มีอภิธรรมนายณายายะนิสาราาส แปสิอภิธรรมปจรณาศาสนศาสสี่สิบถอภิธรรมพรายศาสสี่ถูกสังยุตตาอภิธรรมภราทยศาสสิบหกถูกปะกรเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของนิกายสราวาสีว่าแล้วก็ยังมีอีกเพชรน้ำหนึ่งอุปกรณ์หนึ่งเพชรน้ำหนึ่งซึ่งเวลานี้หลักสูตรในมหาวิทยาลัยนาลันทาของอินเดียบังคับโลยว่ารักษาต้องเลี้ยงประกรเล่านี้ คืออภิธรรมตตา่าตูต่ารยวาตุกเรีกนเล่นหน้าว่าตูตาทีเรื่อนี้มีจานวนสามสิบกด้วยกันผู้รศนาชื่อวตถพันุกอาจารย์วัตถพันแต่หนังสือเรื่องนี้ในอินเดียจะที่เด็ที่คงแต่เรียนนะท่องประการนอยู่ในจุลบทว่าโดยปากกลาวเดียหนังสือยาวตั้งสามสิบครับไม่ใช่ไม่ใช่เ ย, ยเอเลยทีเดียสัตว์นีย แล้วก็ดแูแยบเป็นจีนแล้วก็บฉบับจีนนั่นจะออกมาถึงสองสำนวนด้วยกันคือสำนวนท่านเหียงจังหรือพระสังฆ장แปลสำนวนหนึ่งแล้วก็สำนวนท่านที่สุธรรมะพระอุเชมทีม่เดินทางไปในประเทศจีนเมื่อประทับปิดกาแห่งทุตสุสก์แปลไว้สำนวนหนึ่งมีสองสำนวนด้วยกันให้เราศึกษาเทียบเทียงกันดังฉบับสังสิกนั้นโดยค้นพบในประเทศเมียนมาร แต่ว่ากระท่อนกระแท่นไม่ไม่ได้ครบสมบูรณ์ขาดไปหลายหลายหลายขันพระเลยทีเดียวขาดไปหลายกันทุกงานเลยต้องนักากา่าคนโลกเลยต้องไปโต้ดูวิธีด่าแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาสกติกลับมาโต้เข้ามาโต้ใส่ปากกอนภาษาสกติติดขค้นทับ ใ, ในในปานออกมามาที่นั้นแล้วก็คำพ์นี้ิจสมบูรณ์ว่ากันอย่างนั้นอ่าตมามมเอีก ยังไม่มีผู้เมองอภิธรรมปิดอกของนิกายชนวาสิวาตแต่เป็นสิ่จบไปแล้วตอนนี้มีอภิธรรมปิดอกของนิกายเอนีคือคำทีอภิธรรมมัตตยะสิทิวยาจรณะสาสระอภิธรรมอภิธรรมมัตตยะติทิวยากรณะสาสระจานวนยี่สิบูอภิธรรมประกนี้เป็นของนิกายอะไรเป็นของนิกายเสาตรันทิจวาสิเสาตรัทวาสิ ใกระถาว่าผูเรียกนี้ใจนี้ว่าสุตตวะทีเรียกในการเรียกสุตตวาทีเพราะปฏิเสธอิธรรมบว่าอธิธรรมนั้นไม่ใช่ทุติยภพถือแต่ระสูถือแต่ระสูกเข้าวินัยปฏิเสธฐานะสพิธรรมดยสิ้นเชิงนี่ไงนี้จงเรียกตัวเองว่าสุตตวทีหรือสาวระสุตตวพระนี่มีนีเป็นนีแล้วก็ แต่มาก็มีคำทียุบุติมักลู่สำคัญนะักยุบุติมักเนี่ยยุบุติมักเป็นคำทีภาษาบาลีมา ก, ก่อนแต่ต้นฉบับหายไปวรรณกรรมภาษาบาลีไม่ได้ับแม้แต่ขี้ขนตกรนี้มาหลายร้อยปีแล้วเมื่อคราวพระเจ้าพระเามัามหาราษให้ให้คำทีที่ แสดงคุงง้มนุ่บรรดาคณาจารย์ในลังกาแต่งดีกาโดยเบ็ดพระราชทานจะอุปถรัรม์ต่างๆในบัญทีคำทีภาษาบาลีซึ่งนับว่าข้อมูลที่สุดในการทำละครั้งนั้นคำพีที่มุิมักหายไปในตรากวต์ทั้งที่คำทีนี้เป็นภาษาบาลีมา ก, ก่อ น, นท่านผู้แต่งนั้นชื่อว่าอุปติสสะเป็นพระอรหรันต คำพูดนั้นนี้เก่ากว่าวิสุทธิมักแล้วก็สันนิษฐานกันว่าพุทธคุาจารย์นั้นได้เอาไอเดียจากอิสุทธิมักนี่แขยายความแต่งเสรวิสุทธิมักขึ้นแต่ว่าคํำพูดที่วิสุทธิมักนั้นเราหาอ่านได้ในภาคในภาษาจีนอย่างสบายใจเพราะว่าจีนได้คั่วแปลเอาไว้ให้แปลเอาไว้ให้เมื่อพันกว่าปีมาแล้วจีนแปลเอาไว้ให้ แต่รักษาไว้ให้สำคัญเก่าปีท่านผูแ้แปลนั้นท่านผูกแปลจนพิกษุชาวพูน้ำชาวพูน้ำคือชาวสุวรรเทูมินี่แหล ะ, ะชาวพูน้ำโดนทางใต้ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์เหลียงไบ่ํำคัญสาที่นครนานจิงพระเจ้าหลียงโมโตได้พระราชทานบริวารสุสานเปอเเล็กแล้วท่านอง์นี้แหละ ได้แปลคําทีวิมติมักจากภาษาบาลีออกเป็นภาษาจีนแส้สูงสมาธิปัญญาตั้งคาถาทุทธพจน์เหมือนกับคาถาในวิมธิมักทุกอย่างมีราการแส้เหมือนกันทุกตะคงความแต่ว่าแปลที่ตรงที่ว่าสมาธิอุเทศพิสดานยกวิสุทธิมักธรรมทีวิวิมติมักเนี่ยสมาธิอุเทศมีเนื้อความพิสดานยกว่าสมาธิอุเทศในวิมติมักมากๆ สุละนิเทศเท่ากันจากวิสุทธิมัทแต่พอมาปัญญานิเทศวิสุทธิมัทพิจารมากกว่าความที่วิมุตติมัทนั้นตัดนิสิตว่าเก่าเยื่นย่อมามาถึงป่าพัญญาลิเทศก่าวว่าย่อย่อมาวิสุทธิมัทขยายความปัญญานิเทศออกไปพิจารณามากแต่วิมุตติมัทแต่ว่าสมาธินิเทศ วิญญาณได้ย่อกว่าสมาธิในเพศในวิญญาณิมักส่วนสิริใเพศนั้นคล้ายคลึงกันครั้งนั้นครั้งนี้วิมุตณิมักเก่ากว่าวิญญาณิมักแน่นอนแล้วก็วิญุาณิมักนั้นได้เอาข้อความจากวิญญาณิมักมะอ่าแม้กระทั่งการเขียนการแต่งอลีลาโวหารก็คล้ายคลึงกับวิญญาติมัก แ้่ทุกอย่างเพียงแต่ว่าท่าพุทธคูตะเอามาขยายความตอนปัญญาในเชื่อใช่มากออกไปนี่อันนี้ชื่ที่รู้ว่าวิมิติมักวิมิติมักเก่ากว่านั้นก็เพราะว่าในบัญทีรายชื่อพระอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ญาปรมตราในสายอภิธรรมสืกสู่จาจากกรียูทวีกระทั่งถึงในเกาะสิงห์ผลนั้นชื่อท่านอุปติจัสนั้นมีอยู่ก่อนหน้าท่าพุทธคูตะแล้วท่านผู้นี้แหละที่เป็นผู้เลิกนา คำพูดที่มุติมายินให้ื่อว่าอูพ่อปีเสียคือแปลจากคำว่าอุปัสสากินว่าอยูหอปีเสียอาโลหันเป็นคนแต่งอาโหัน์คืออาลาหันอาลาหันอุปปัสสกเนี่ยเป็นคนแต่งที่มุติมาอันนี้แล้วก็น่าจะขอบคุมในพระพุทธบอกฉบับภาคจีนที่จะงอิจารักษาประ ก, ก, กอนบาลีที่ขาดเต็ม ข, ขาดขาดลนหายไปเอาไว้ได้ เราไม่ว่าที่เล่าให้ฟังนึงนะครับจนเพียงแต่ว่ามิจฉาอือ่นๆที่ยังไม่เคยเป็นตูวมหายานคราวนี้เรามาว่า ก, กันนึเพื่มหายานทีเดียวล่ะพระต๊ะิดกษัตริย์มหายานในภาคสี่นั้นถ้าจะว่ากันในประมวลสารถาพระประวติบิดกษตริสมัยราชวงศ์เหนือคือ ร, ราวๆเมื่อพษษุทธศตวรรษที่สิบแปดได้บอกจํา น, นวนคําทีในพระต๊ะิดกภาคสี่ไว้ ที่เป็นฝ่ายมหายานมีดังนี้หนึ่ง ข, ขสูตฝ่ายมหายานมีอยู่แ9 7ร้อเก้าเจ็คำพีลวกทิศเป็นถูสองพันเ้ารแปดิบูกลางแต่แปลดุีละไอถูกลามีหมายทปสบัเดิมแปลป็นทีละออกมาแ9 7รเ้าสิบเจ็ดคำพีหรือแปด้เ้าสเจ็ดเล่มสมุดสองยี่ในฝ่ายมหายาน มีอยู่ยี่สิบแปดคำทีคิดเป็นถูกห้าสิบหกถห้าสิบข้อนี้ที่มีน้อยนะไม่แปลกเพราะว่าเขาเสง่ายมหา ย, ายานได้กล่าวมาแล้วว่าได้ปฏิบัติตามจตุระอัชฉริยะธรรมคุตตะอยู่ในคือถือว่าในพิเดของนักกายธรรมคุปเป็นประทัดฐานในการปฏิบัติส่วนที่ตรงของแปรที่ตรงของมหายานนั้นเป็นส่วนเกี่ยวกับปิณฑคปุจจิต ซึ่งมืนี้แม้แต่บิดาโดดเทระวาศเราหรือแม้แต่บิดาฝ่ายสาวกยามีการใดๆเป็นคุณลักษณะพิเศษของมหายานโดยเฉพาะที่มีน้อยเพียงห้าสิบหกขนั้นเองสามสาศาสต์ฝ่ายมหายาณคำว่ า, าศาสตร์นี่ก็คืออธิพรรมนั่นเองคือว่าในสมบับมหายาณมักมักมักจะไม่ดูก่าอธิธรรมท่นานนี้กับศาสตร์ศาสตร์ถ้าคำว่ า, าศาสตร์แทนมีอยู่ร้อยสิบแปดคัมภีร์ด้วยกัน คิดเป็นถูกห2ร้อยี่สิบแปดนี่ป็่ายมหายาณจะมนี้รวมสูตฝ่ายวินยานที่ว่ามาในกายต่างๆสองร้อยเก้าสิอ็ดคำทีเจ็ดร้อยสิบถกที่นายทีเด็ดฝายวินยานห9สิบเก้าคำทีคิดเป็นถูกห้าร้อยสี่อภิธรรมฝายวินยานสามสิบแปดคำทีคิดเป็นถูก เ็ดเร้ยแดสิรวมทพ่ขึ้นเป็นคำทีหนึ่งพันสี่ร้ยสี่บดคำทีคิดเป็นตูห้าพันห้ารยแดสิบปแต่เป็นทีนหมดแปลนะว่าหมดนะเอแต่มีเหลรากว่ารายการละเอียดขึ้นในพระสูตรมหายานพระสูตรมหายานน่ะเราแบ่งออกเป็นห้าหมวด มือกุาแจได้ห่าหมวดคุอตอนตึกคือตตับกสายมหายาติมอที่หนึ่งเรียกว่าหมวดอวตังสกะหัวเงียบนีเรียกว่าหัวเงียบแะเงียบเตอวตัรสตะอามวดที่น่ะมีพระสูตรต้องคำเป็นหัวใจอยู่สูตรหนึ่งเรียกว่าพระภาลังสกะมหาไัยูรยุสูตรมีจานวนแปดสิบผู่ด้วยกันจีนแปสูตรนี้เป็นชื่อภาษาทีนว่า ไต้วงต้วงหัวเงียบเชิงไต้วงตวงหัวเงิยบเชงแปดสด้วยกันมวดที่สองเรยว่าหมวดลายภูริยะลายภูริยะว่าตําแหน่งเสียงไทยๆก็เรียกวาไทยโบนีณเองอจีนปลว่าแข่งเต็มจฉมแขงต็มอฉมหมวดนี้น่ะมีพศสงคั น, นหลายสูตรดังจะยกตัวอย่างคมหารัตนสูตตูตมีร้ยี่ิบสู ยิ่ียกชื่อว่าไตรปอยแก่เจแล้วนอกนั้นก็มีมหาสังคีปิสูตรมหายานาโพธิสัตวะปิฎกสูตรตถาคตอจินไตรหัตุยะมหายานสูตรวันนัปภาษสูตรกรุณาบุญทริตสูตรมหายานามหาสังคีปิสิกสิกันทะทตจักสูตรแล้วก็มหาวัยภูริยะมหาสังคีปิโพธิสัตวะ์คตพจตสติกสมาธิสูตร ตันพรคติปะสมาธิสูตรลังกาปตาระสูตรสันคิมเรโมชนะสูตรพิเษจินดาพมติขาสูตรมหาพุทธาจินระราชาปิดขาสูตรสาระนาสราชาปิดขาสูตรอคโทยะทุตเกษตรสูตรไหสติยะภุรูไหภูริยะประภาภูรวยะปริพาณาสูตรมโยพมะสมาธิสูตรสุมาราโทวีสิงห์นาสูตรอมิตายุรทะยานสูตร มหาทุขาวตีวายหาสูตอจินตยมหาประภาธโมกษสวรรคเทศสูตรวิรางคมาสมาธิสูตรวิมละกีรติวิเทศูตรเฉพาะวิมละกีระติวิเทศน์นั้นถูกแม่แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเป็นหนังสือคิดคือคิดคือบับด้วยกันแม่แปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วได้มีท่านเป็นกรรมการทุกสมาคมจีนมีจิตตะชาทีนแจกเป็นธรรมทานจำนวนหนึ่งคอนเล่น แล้วก ja. ็ยังมีสู่รอื่นอีกมากมีหมวดระพูระยาแต่มาหมวดนรัตยาดี่เรียกว่าหมวดยสูตหมวดนี้มีสูตรมโหรามนะทุวคนเฉพาะแค่สูตรสูตรี่สิบเดือนเนี่ยข้าไปดีดเห็นว่ายังน้อยกว่าข้าไปดีดบาลีเราสีสิบห้าเล่มเนะถ้าจะมาเทียบกับแต่แต่สูตรยี่สิมหาญานสี่เดีอนทั้งายน้อยกว่าข้าข้กว่า คือว่ามหาปรัชญาปริมตานั้นหกแถวเดียวหกโอแปลเป็นจีนจนเล่นแล้วจานวนแสิเล่นแสเล่นจะาลูกใหญ่ขนาดเอ็นไซม์ที่เดียกปดสเล่นจะน่ไม่ใช่เล่นจะน่ามากจะเล่นจากกระตุกดอลอีกหน่อยเฉพาะสุดเดียวเนี่ยมหาปรัชญาปริมตานี่สุดเดียวเลือกความได้ดูหุ่นตา เสาเรงศูนย์ตาท่านเองอเนี่ยปวดงแล้วก็หมวดที่สี่เรียกว่าสัทธัมมะพุนริศกรกสูดหมวดเนี้ยอ่ามีอยู่มีอยู่เป็นสัทธัมมุตธริกกะสูดเนี่ยมีอยู่แปดสูตรด้วย ก, กันสำคัญมากัหมอนกันอ่าคือสุดเนี้ยมีนิจายฝ่ายมหายานในญี่ปุ่นคือนิจัยนิจิเรนเอาไปเป็นหลักสาคัญในนิจายนิจัยนิจิเรนแบไม่ เวลาเปลด่นนมเขาไม่ชาพระพระสงฆ์บูชาพระธรรมแล้วก็ใช้คำสอนบูชาพระธรรมน่านมูมาโยอรเติโยหรือจะแปลกันอย่างสันสกิตก็นามะสัทธามะปุริตริกสูตรข้าพเจ้าขานอกน้อมในสัทธามะปุิริกสูตรแต่ว่าพุทธเจ้าทัานบอกเนี่ยสูตรนี้สูตเดียไม่ได้ณะบดศาสนาพนทธการนิสกิเลนไม่ไม่ต้องศึกษาสูตอื่น เอาสูตรนี้สูตรเดียวพอว่าอย่างนั้นแต่ว่านี้การมห ah าอย่างอื่นไม่รับรองเฉพาะนิจิรุนบ้านิจายเดียวนะครับอา่าโมกุฮะดีวะตระิกอีวารณะยุทธผ่งเต๋อนี่ก็มีมหาตระิกิพานสูตรเป็นหลักสำคัญแต่ว่ามหาตระิกิพานสูตรเนี่ยข้อความทิศดารกว่า บ, บาลีเราตั้งหลายร้อยเข้าแสดงให้เห็นยอดแต่งในภายหลังเยอะแยะดังนั้นมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งที่ว่า ข้ามเหตุพระฉนเนืสัตว์แต่ว่าพิสุที่ฉันเนื้สัตว์นั้นชื่อว่าทําลายเมตตาจิตต่อสัพพะปตเพราะฉะนั้นสนาคดไม่จะได้บัญญัติไม่ได้บัญญัติ้าพวนวินัยของพระแต่ถ้าวบัดนี้เป็นเวลาที่ศาสนาคดยุติภานแล้วสนาคดมีกําพับว่าบัดต่อไนี้สาวกาสนาคตไม่ว่าจะเป็นพิสุพิสุนี้อุบาสิกุบาสิกาใดๆไม่ควรฉันเนื้สัตว์โดยปริยายใดๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อ มเมื่อปฏิสุทธิตัวส่วนสามอันจับเป็นติภูติปฏิสุทธิมังสะก็ตามห้ามขันเดดขาดเมื่อกว่ามันมีมีระบุอยู่ในพระสูตรนี้หมายความว่าถ้าเราจะอ้างบอกอ้าวถ้าหาว่าไม่ให้พระขันนิสัตตธรรมวินัยพุทธเจ้าไม่ห้ามไว้เดชอ่ะแต่วินัยต่างๆที่ปอยมหายานแป่มามีเยอะแยะที่ไม่ได้บอกว่าอ่าห้ามแม้ขันนิสัตต์เลยไม่มีแม้แต่วินัยที่ผสมมหายานถึงก็ไม่ได้ไม่ได้มีห้ามนะแบบว่ามห้ามแม้ขันนิสัตต์ไม่มีโลย คราวนี้มามห้ามในตอนพระสูตรอกว่ไม่ไห้ามชินและห้ามในสียนธรรมะแล้วแต่อันห้ามในทางวินัยด้วยธรรมะห้ามแล้วก็เบลตัวินไนต้องรักษาเรองยกบุตริยายทำเสียเพราะวีัยเสียวีไนเสียก็เพราะธรรมเสียเพระเาะงั้นพระห้าว แ, แม่เจะาวีไนไม่ห้ามเมื่อธรรมะมัห้ามแล้วแล้วก็ไม่ควรจะยกเว้นไม่ควรจะมีข้อแม่เบใดๆนีน่มีข้อความที่อ้างว่าเป็นปพุทธพจนอยู่ในสูตรนี้ในสูตรมหาปริญญาณาสูตร สมบัตมหายาณแสดให้เห็นว่ามีการขยายความและแต่งเติออกมามากแล้วก็ประนิหากันว่าสูตรนี้น่ะมาขยายความแต่งเติมในสมัยราชวงศ์คุกซึ่งเป็นสมัยฟื้ฟนตัวแล้วมาคดีในศาสนาพราหมณ์เป็นการใหญ่แล้วรวมทข้าในการแต่งเขาสูตรเพ่่มโติขยายความจากสูตรเดิเ ม, เมออกมาอีกมากเอ่นี่ไม่เป็นเพงแต่ว่าหน้าต า, ย, ย, าตย่อๆในพระไตรปิฎกสบัติจีนภาพ ก็ไม่พิจาาอย่างนี้คราวนี้เราจะมาพิจารณาดูในส่วนวินัยของมหายาณวินัย ม, มหายาณ น, น่ะในส่วนพิสุศิกขา ค, ค้นถึงฉบวิตในแบบเดียวกับ ว, าวาินัยเทระวาตเหมือนกันคือรักษาศีลเท่าเขาเท่าที่มีในปฏิโมกข้ายืนกับเรามีเสด็จพ่อถือทิวาอะไรต่างๆเรียกว่เหมือนกันนะฮะข้อนี้ฝ่ายมหายานก็ไม่ได้ลดหย่อนอะไรแตบบ่เพียงแต่ว่าเขาเลือกปฏิบัติไปบางข้อ ไม่ปฏิบัติเป็นบางข้อแต่ตาระเทวทตยจะอํานวยส่วนข้อที่เขสําคัญนั่นคือเรื่องสิงโตทิตสัตสําคัญนักหนาทีเดียวเพราะว่าทางมหายานสอนหนึ่งชนิดพูนเป็นหนึ่งชนิดพูนก็ต้องบังเทงตรงเป็นโพวิตสัตว์จรงต้องมีสิงโพทิตสัตว์สิงโตทิสัตว์เนี่ยเขามีอยู่เปงสองเสวนเดกันคือพระมัชย์ระเทวทิตย์ตะวสิงส่วนหนึ่ง โยคาจาระโพธิสัตวะศิลส่วนหนึ่งมีอยู่สองส่วนด้วยกันแล้วก็นในศิลป์โพธิสัตว์เนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งระบุบอกว่าถ้าโพธิสัตว์นั้นแม้ชีวิตจะเปนเสียสละเพ่อพิจารนาถ้าเห็นใายมาทำลายพิตาสณาแล้วหากว่าชีวิตเขแรกวเพื่อที่จะกู้ตาสมาให้เพินจากภัยสัตนติขีดข่มเหงแล้วก็ต้องอุทิชีวิตของตัวเพราะฉะนั้นพระโยนเขาตัวนี่หลแปลเขาทำเตาอุณหภูิโพธิสัตว์แล้ว โดยถือตัวเป็นสละสละชีวิตเพื่อที่จะช่วให้ทุกศาสนาที่พ้นจากการกดขีได้ถ้าหากว่าการสละชีวิตของท่านจะเป็นผลให้ฝ่ายรัฐบาลรวมตัวความอ่อนหุนโลกขุงใจชาวพุทธขึ้นมาท่านจะยอมตายข้อนี้ท่านทำตามสินตัวที่จเราจึงไม่ควรที่จะไปที่พวิจารณ์อะไรท่านเพราะว่าท่านเป็นฝ่าย่สุในฝ่ายมหายานอยู่แล้วา ต่อมานใกว่าถึงเรื่องพวกอัตกถาบันดาอัตกถานั้นอ่ะไม่ต้อนพูดถึงละว่าพรตาบิโดกินภาคเนี่ยจะไม่สมบูรณ์เพียงไหนล้ำคังชีวิตของคนเราชีวิตเรือเนี่ยจะเอาพระตาบิโดกินทั้งอัตกถาดกีกาให้จบึงว่าไม่พอเดี๋ยวว่าจะเอาพระตาบิโดบาลีเลยหรืออัตกถาดกีกาฝ่ายบาลีเลยเพราฉะนั้นผมจึงว่าแบบว่า แตราคข้ึงเราเนี่ยถ้าเราอ่านภาษาจีนออกภาษาทิเบตออกภาษาบาลีออกแล้วก็จะศึกษาหมดทุกจากแต่ทุกคำพีต้องตายล้เใหม่ทุกชาติสมั้งแล้วทุกชาตเกิดมาอย่าศึกษาเลืองื่นริ่มส่งศึกษาแต่เรื่องพุทศาสนาอย่างเียวเหจะเพียงพอถ้าอย่างนั้นเราก็เพียงพอแน่มากมายแล้วเต็กระชั่งไม่ไม่สามารถจะประมวลและพูกว่ามีอะไรบ้างจะเอาค้าย่อๆนะครับเอาย่อๆเอาพกเอาอุปกรณ์สคัญที่คันถลรสนาจากอินเดีย ได้รัตณาเอาไว้คำพีที่สำคัญอย่างนี้หนึ่งคำพีโยคาจาระผู้มีตาสตรลหนึ่้อยถูกบางล้อยถูกในคำพีนี่เรื่องฉบับสันสติไม่มีแล้วสูญแล้วไม่มีเรยทีเดียวภาษาที่เดชจะมีมีหรือ แ, แต่ฉบับภาษาจีนท่านเยี่ยมจานแตเอาไว้ให้ ราฉะนั้นเวลานี้นักศึกาในอินเดียต้องการศึกษาข้อความในคำพิรุษต้องไปศึกษาภาษาจีนและแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษปัรณายรียปัาราเรียวาจาศาสตราริษาเสียงย่างเสียงตาหลงจีเรื่องเสียงย่างเสียงตาหลงเนี่ยิมหายานอภิธรรมสังยุตสังีติศาสิบหกถจีนแปลว่าอาภีตัดม้าไตสงสิจีหลง ม, มห า, า, า, า ย, ย, มมยานสมปริศครหรสาจึงแปลว่าไตเซย์เยตหมิรุมัทยามตวิพัง菩萨จึงแปลว่าสุยักษ์ตนเตียงหลวงเตุวิทยาศาสตร์ตาาคำทีนี้เป็นรอยติัวิทยาชิ้นโบาณองอินเดียนกเถตุวิทยาศาสตร์เนี่ยผู้แต่งที่ท่านทิมนานะท่านทิมนานะ็นนะักศัพวิทยาที่รู้นามของอินเดีย แม้แต่ศาสตร์วิทยาในโลกตะวันตกก็ยังสยดให้ว่าคาทินหน้าเตี้ยมีความคิดที่ว่านาหน้านําหน้าด้ยแหวกด้วยแหวกแนวจากลอจิตเรีนคำในโจทย์นาิยายะของเดิมออกมาอย่างพิสดารมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาลอจิกสาขาตะวันออกแล้วต้องศึกษาคําทีเหตุอิทยาาิศาสตร์ทคําำทินหน้าคําทีนี้จะแปลเป็นจีนแล้วให้ที่ว่าอริงเหมิงหลิง แล้วก็มหายานสระโธตปาเดฟาสระของท่ า, าทอนอัศลกุลซึ่งฉบัติก็สูงในนี้กันตัง้งศึกษาจากภาษาจีนจีแปลว่าไตสูงทีสิ่งหลุมประการเล่านี้กระผมกาลังแปลอยู่ยังแปลไม่จบแล้วก็มัตยามีกาสตริย์ยุคทัณฑนนาธราชินเป็นหัวใจสําคัญของนิยายสูนแว่าสำคัญมากในนั้นเป็นโลกระบบที่ท้าสวิตีคือไดอาร์ติก อิทธิการในอารยิติอภิปรายให้เห็นหลัถึงว่าเนี่ยท่านนาทราินได้ น, นาอย่างเยี่ยมยอดที่สุดท่านโพลเซสเตกาที่สุดแต่โพลเซสเตจิติต เ, เ อ, อิตาลีต่างกทัที่ไเป็นชาวญี่ปุ่นสิติเป็นชาวอิตาลีท่านให้คำยงคำทีนี้ว่าคาทีนี้เป็นรัตนมณีที่มีค่าที่เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าเราวิษณ์แล้วยำยกเป็นรัตนมณีขัาพิสดาลดึงดอย่างไรนั่นแหะ เราเวลาเราต้องอ่านในเส้สมองภาษาจีนเพราะว่าสั้งภาษาจีนเหมือนกันเพราะข้าวตะวับตกอินเดียเป่ากินนาสวอบวายหมดไม่มีอะไรเลยคำพีนี่หมดแล้วก็เออบรัชสยาปฏีปาสสราของขันทาวาิโยแล้วก็ัดโนทีจตัวศึกษาสังคีตศาสตร มหายานปุตราลังการศาสตร์พาสกะมาลามหาภูริศาสตร์สังยุตตะอวภานศาสตร์พยาภุตตะวารศาสตร์แล้วก็วิชานามาตราตรีทศศาสตร์วิณสติกวิชานามาตราศาสตร์อลลัมพนะปริศศาสตร์ปตตาจาริปยศาสตร์ัุตตารศาสตร์วิชาณตรวัตติศาสตร์วิชานิเชตศาสตร์มหายานปัญจสกันศาสตร์เป็นอาชีพคำที่มหายานปัญจสกันศาสตร์นั้น สับปะรดแปลเป็นภาษาไทยแล้วท in okay. ิมแจกในงานกระถินวัดมังกรจำมารว่าในท่านท่านเอกพระอาจารย์เสถียนเป็นที่ขิมแล้วก็มีมีวัดอีกว่าเฉพาะประการมีเศษที่สําคัญอ่ที่คันธารุตนาจารย์จีนอินเดียแต่งเอาไว้นะครับที่แกเป็นจีนที่เป็นหลักสำคัญแล้วนอกจากนี้จะมีประการมิเศษของคันธารุตนาจารย์จีนอีกมากมายจนทุกมุม หลายสิบตายออกมามากมาทีเดียวเป็นอันว่าเราก็ผ่ามไปไม่ไม่ไม่ไม่ไมู่้ถึงตอนนี้ขอถึงว่าพระเจดของจีน <True>. นั้นเลือกได้ยาเป็นพระเจ้าิอบบพิมฉบับแรกของโลกนังสือทีพิมฉบับแรกของโลกคีหนือที่กว่าารินเป็นภาพแรกที่พิมหนังสือได้ินเป็นภาพแรกที่ทากระดาษได้ เพราะฉะนั้นถ้าไปดีดกินต้องเป็นโลกแรกเป็นหนังสือโลกแรกที่ทินขึ้นในโลกคุปตะศาสนามันเรียกว่าในโลกหนังสือโลกหนังสือหนังือแรกที่นะทินนั้นเป็นหนังสือคุปตะศาสนาะอันนี้ท้อปุ๊เราควรจะข้าวตื่นใจว่างา น, น, น, น, น, นทิ้งแรกงานทิ้งชิ้นแรกนะั้นคืองานคุปตะศาสนาของเราแล้วก็ทิ้งในประเทศจีนถูราะ ฉบาับตอนนี้นะ่ะตอนนี้เมื่อตอนรับรองหานหรือรังถังหินไปมีให้เขียนบนแผ่นผ้าบ้านะจะเป็นแผนไม้บ้างแต่ต่อมาเมื่อตอนรับรองถังคิดตัวดินได้าา ก, รกระดาษกมีหูเขียนในสมัยรับรองหันมีคนทากระดาบได้ก็เขียนกันรับพงหันนะพอเสร็จแล้วเศรมีคนคิดกระดาษได้แล้วก็เริ่มเขียนกัน แต่มาสมัลเราคุณขังเวลาปศพันห้าร้อยเกดมีคนชุบตัวพิมได้ตัวพิมเนี่ยชุบพิมดยแตกแปกไม้เป็นตัวแตกไม้แล้วเอาบิดพาแล้วก็น่าติดกระดาษวันนี้ก็พิมได้หลายแล้วแผ่นแล้วมายกเป็นเล่นหรือขับมูนเนี่บปศพันห้าร้อยเพราะตเดกูลัมาแรกกินขึ้นในโลกฉบับนึงที่คนทชืว่า นันสืบพิมลได้ของโลกคุ น, นักสืบที่จาสนามีหลักฐานอย่างนี้คือว่าอาประสามพิมพ์บับเต่าที่สุดนั้นได้แต่คำที ร, ร, รัชระบรลิยาปารมิตาสูตจกิกนต้งตัวหยักดนลมิตรเจงสิง่งนี้จะเป็นเลตเรเป็นใครแล้วพิมแล้วอ่านิสเตอรสตนนักขุดคนโบราณนักถได้ค้นพบเส้นฉบับพิมพ์สูตรชในถ้ำลุงตุนเหวง มุ่งคงกำสูงเมื่อแพร่แสสงพันสี่ร้ห้าสิบปัจจุบันต้นะบับจดรักษาอยู่ในทิพย์พระภัณุนทดินทนะอ่าในในสูงในในสูงเร่มนี้น่ะมีข้อความบอกว่าข้อความภาษาจีนที่เป็นลายนะบอกว่าจักรราธำรงทีที่เก้าเดือนสี่วันที่สิบห้าอ้วนกายที่ของคนสร้างขึ้นเป็นธรรมทานอุทิศบูชาแด่ดามานดาทั้งสอง ราสนาทำเครื่งปีที่เก้านั้นเรงกับปนะีพศหนึ่งพันสี่้สเอ็ดจริงจริงเรียกว่าราชพูดได้ว่าเอกสารมบัตทีใส่แต่ที่สุดของโลกนั้นเป็นเอกสารในทิ่ปาศาสนาซึ่งเวลานีเาเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์จึงดัาๆก็้าพูดไปอย่างนี้เพราะปีพศหนึ่งพันสี่ร้ิบ็ดหนึ่งพันส่้อสเ็ดพันปีที่ไม่ต้องพันก่าปีแล้ว อาต่อมาพระตระกบับพินศบแรกนั้นเป็นฉบพิพินพระองค์จงพระ เ, เจ้าจงไถโจ้เขาเตะแต่ผมจะตัดหว่ารองค์จงเมื่อตต ร, ราไถรเจ้าตีที่สี่ตรงกับตีพอศนิ่งันห้ารสมีพระราชองค์การให้คุณนางผู้ใหญ่ที่เตเวคงจริมระกรวบรวมพินพระตกิบที่มงคพเตขวนพระตระกฉบับพิ์นี้มาเกิดเอาเมื่อรัชสมัยพระ เ, เจ้าจงไถโจง เมื่อ44 1,526 จินเวลาติดเรียกว่าพระปฏิบัติบฉบับไทยใต้เป็นพระปฏิบัติบฉบับพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกไม่ว่าจะเป็นส่ายเถรวาทหรือมหายานพระปฏิบัติฉบับภาษาบาลีของ่ายเถรวาทที่ตีพิมพ์เก่าที่สุดต่อคูอพระปฏิบัติฉบับพิมพ์ของไทยเมื่5 44 2,440 เอ่อพรแฝดสองพันสี i i 35, 500, so, oh ่ร้สามสิบเอ็ดถ้าก่าฉบับของจีนถึงเก้าร้อสิเจ็ดีถ้าก่้างเจ้าสิบเจ็ดตีอ่าพราะแิดเบฉบับไครเจ้าเป็นเงนสูหนึ่งพันสิบหกล่มคิดเป็นตัวแค่ห้าพันสี่ร้อห้าพันสี่ร้ปดบนี่เป็นประหัดพัฒนาการเพราะแต่บิดษบืฉบับจีนน่ะภาพซึ่งแยกไปยอกันในเพียงเนี้อันนี้ทำให้เาปลุใจได้ว่า วรรณกรรมและปราชญ์ศาสนาเหล่านี้เป็นวรรณกรรมของนักปราชญ์จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าสุดใจของสำนักนี้ได้เลื่มงานที่หน้าถ้าคือเมื่อเกินคือว่าได้เลื่มงานจับถ่ายทอดวรรณกรรมภาษาบาลีในภาคอัตจรรยออกมาก็พิจริง์ว่าเป็นลูกอรุณในวงการศึกษาปริยติธรรมในโลกที่ประศาสนาฝ่ายเถรวาทเรา คือหวังว่าในอนาคตเราเราก็จะมีฉบับพระตํดกลฉบับภาษาไทยท้่อัตกษถาดีกาที่สมบูรณ์สำหรับให้บรรดาผู้มีสันทะในการค้นคว้าได้สอบเสิร์ฟไดสีพค้นอ้างอิเต็นการสืบอายุทุกภาษาคณะย่การต่อไปขอจบมาอากถาแต่โดยยอดเพียงเท่านี้ครับตามที่ คุณเถียรโตที่นำพระตัง้งบรรยายพระเจ้าวิบบาเศษระดับพระสกุลได้บรรยายมาตั้งแ ต, งง ต, ต, ต่ต้นจนตลอดนั้นจนไปด้หลกักวิชาตามทั้งซึ่งซึ่งท่ั้งหลายที่นั่งตั้งอยู่ในที่นี้ก็ได้ทราบโดยต็มเอืองแล้วทั้งซึ่ั้งนั้นแปลว่าเจ้าความของพระเจ้าวิเศ สิ่งเป็นส่วนสำคัญสำคัญสำคัญนั้นองค์บรรยายก็ไม่มีโอกาสที่จะนำมาแสดงในที่นี้ได้แต่พวกจะกล่าวได้ว่าองค์บรรยายได้ประมวลให้เราเห็นถึงความสำคัญ